6. จีวรสิพนะสิขาบท 79. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้เย็บจีวรให้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระอุทายีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่ท่านพระอุทายีเย็บจีวอนให้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติในจีวรสิพณะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหกสมุดฐาน